ตัวเองใช่ไหมเราว่าเรารักตัวเองใช่ไหมแล้วปรารถนาดีกับตัวเองแล้วปรารถนาตัวเองให้ประสบความสุขแล้วเราจะมาทําชั่วทําไมการทําชั่วก็คือการเบียดเบียนตัวเองก็คือปทุสลายตัวเองก็ขอบบอกตัวเองว่าทําไมเองมันโง่แท้ <c oughs> เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วเนี่ยทําไมมันโง่เที่ยวมาเบียดเบียนตัวเองอย่างนี้เล่าไม่สมควรเลยเพรางั้นเจะ เราทำไมทำไมไม่สแสวงหาปัญญาใช่ไหมทำไมไม่ฝ่ายปัญญาไม่สแสวงหาปัญญาอบรมปัญญาให้มันเกิดขึ้นที่ถ้ามีปัญญาสแสวงหาปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นตาเราจะได้ไม่บอดมันจะได้เห็นแสงสว่างของชีวิตมันจะได้ดําเนินชีวิตโดยไม่ติดขัดมันจะได้สู่จุดหมายหความพ้นจากกิเลสและคลองทุกเสตีแล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อนในสังสารวัฏอีกต่อไปมันไม่ใช่เดือดร้อนตนเองคนเดียวทําให้คนอื่นมารู้จักเราเดือดร้อนไปด้วย ราเบียดเบียนตนเองไม่พอยังไปเบียดเบียนคนอื่นอีกแล้วยังเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมให้เขาเดือดร้อนอีกยิ่งมีศักยภาพมากเท่าไหร่ก็เบียดเบียนตนเองมากเท่านั้นเบียดเบียนคนอื่นมากเท่านั้นและสภาพสังคมก็เดือดร้อนมากเท่านั้นแล้วทำไมสร้างศักยภาพทั้งที่ผิดแเาราหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยเตือนตัวเองแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยไม่ยอมหยุดสักทีทำชั่วอยู่เรื่อยมันควรจะหยุดได้แล้วพอได้แล้วเพางั้นเดี๋ยวไมมันโง่แท้อะไรเงี้ยสอนตัวเองอย่างเงี่ย นัเข้านัาเข้ามันก็จะได้มุมขึ้นมาก็จะหันมาฟังทำอยู่พระเจ้าเลยทิ้งแล้วมันจะหาทางออกของชีวิตได้ขยาย่างครับผมต้องสอนตัวเองไปก่อนเรื่อยๆการที่มีข้อมูลนี่แหละครับแต่ถ้าสอนเองตัวเองผิดเพี้ยนก็ไปเลยนะตอเนี้ยไปเช่นให้ตัณหาจะไปเชื่อไปไปเชื่อตัณหาเงีง้ยยุ่งเลยแต่ก่อเราชีวิตของมนุษย์มันเชื่อตัณหาตลอดตัณหาอยากเป็นอะไรมันโหมันเอาใหญ่อยากจะทําอะไรมันทําใหญ่ อยากจะโกรธใครเกลียดใครโว้มทาทุกเรื่องว่างั้นน่ยอยากจะได้ใครอยากจะเสพกามกับใค ร, ครโอ้ยเพียรพยายามทุกวิถีทางเลยว่างั้นเถอะตอบสนองมันยอมมันทุกอย่างทํามันเป็นอาจารย์เลยว่างั้นเถอะเอาใจมันเออเห็นเห็นตันหาเป็นอาจารย์เลยว่างั้นเถอะเป็นผู้เคารพเป็นศาสดาเลยว่างั้นเถอะขอให้ขอให้ตันหาขอร้องมาเถอะ อยากดูอะไรจะไปหาให้อยากกินอะไรจะไปจัดการให้อยากจะด้มอะไรอยากไปเกี่ยวข้องกับใครอยากไปเสพกามกับใครเพียงโอ้โหหาทุกวิธีท่างตอบสนองใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความสามารถยอมรับใช้ตัณหาบ้าแท้ๆว่าไงเธอแทนที่จะเอาปัญญาเนี่ยเอาศักยภาพที่มีอยู่ทั้งหลายไปจัดการแล้วควบคุมมันแล้วก็ระะมันเนี่ยกลับกลายเป็นยอมเป็นทาสยู่ยอมจำนวนด้วยนี้ไปรับใช้ศักยภาพทั้งทั้งหมดเนี่ย ความสามารถทั้งหมดเนี่ยที่ที่เรียนรู้มาทั้งหมดดันเอาไปตอบสนองตันหาไปรับใช้ตันหาไปทาสของตันหาไม่มีใครโง่ตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี่ยเวลาสอนตัวเองเอะทำไมมาโง่แท้ดักดานแท้งั้นเถอะเขาใจยังไงเนี้ยเขาใช้ที่ใช้ทุกคนได้เลยนะอาจารย์ไม่ต้องตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นหรอกพราคนอื่นมันก็แย่ตามสภาพมันปล่อยมันใจะตายไปมันก็มันก็ทกข์มเอาตัวเองให้รอด ไม่ต้องไปกรุณาเผื่อแผ่คนอื่นเอาตัวเองให้มันรอดก่อนบางคนแม่พอรู้อย่างนี้ปุ๊บนุ่นคิดถึงลูกนุ่นลูกนี้พุ๊บคิดถึงเมียนุ่นลูกนี้ปุ๊บคิดถึงเพื่อนนุ่นมันก็ตกนรกของมันก็เจ็บปวดของมันมันตายก็ตายเรื่องของมันแต่ตัวเราเองเนี่ยให้มันรอดก่อนใช่ไหมตัวเองยังจมอยู่ในวัฏฏะทุกอยู่เลยแม่อยากจะช่วยคนอื่นไดอีกแล้วแม่ทําไมกรุณาเพร่อนเพื่อกรุณาแบบไรจุดหมายการุณาแบบไร้ปัญญาว่ากันเถอะตัวเองก็ลูกสอนเสียบอกอยู่เงี้ย ยังเที่ยวโอ้โหอยากจะไปถอดลูกศรคนอื่นอีกโอ้ยทำไมทำไมไม่ตอนเรามาเรือ้ายหลงตาฉลุหรือเปล่าอย่างดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู GPS ให้ผมเปิดก o เกิลไหมครับน่าจะขวาเมื่อกี้เรมาเรือ้ายไงเออเนาะแล้วก็ขากลับเรกทุกขวาพี่อ่ะตอนตอนไปเที่ยวไปเที่ยวสุพรรณขากลับไปสายเอเชียนี่นี่ฝ่ายมั้งล่ะเหมือี่ออุ้ย ตเลยโอ้โหไปออกนู่นเลออกท่าลาไปนู่นเลยยาวเลยตอนเรามาเลี้ยวซ้ายออกจ้ปุกไงมาแล้วไปปาเราต้องไปเป็นจ้ปุกใช่ต้องเลี้ยวขวาปีนชัยประดานวิ่ตรงไปเลยไปดูหูุมข้าตัวเมืองทองเลยข้าวตัวเมืองเนีตรงไปตรงไปข้าวตัวเมืองทองเลยแต่ไม่่ถ้าเลี้ยวซ้ายต้องขากลับต้งเลี้ยวขวาเอาเอาให้ครับให้เขาถือไปเมื่อกี้ถามไปแล้วแล้วชัวร์แล้วใช่ไครับ เ, เดี๋ยวก็ไปเจอคือ <c oughs> ตอนมาบรรทายสตาต้อไปจะเข้าตัวจังหวัดเลยเข้าตัวเมืองเลยวันนั้นเาไปโอ้โหตัเมืองจองนี่วะงานเข้าเลยขี่มอไซค์ป <c oughs> งานเข้าเลยเดี๋ยวผมจะดูให้ดีก่อ น, น, <c oughs> นเกิดมาโรงพยาบาลชัยบาดา<ม>เป็นโรงพยาบาลบราสูตรหรือโรงพยาบาลอัเกอร์อัเอ เป็นอำเภอที่ใหญ่ใหญ่ใหโอ้ยแค่ในแผนที่นี่แค่ชั่วโมงกวา่า<ช>ๆนะครับเกือบสองชั่วโมงครับใช่ครับชั่วโมงห้าส <58 S 2> <58 S 1> ิแปดารทานกรรอเพรยวแยกจะ๊บหลงเนี่ยเขา้าอ่าจะเรียกรบเรียนะเข้ารบเรียกครับชั่วโมงเดียว จ, จะขออากาสตามาจต่อครับถ้าอย่างเคราะั์บ้างคนเนี่ยเขาบอกเออเข า, าเดื่มเหล้า แต่เขาบอขาก็ดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนนี่เออแล้วมันจะมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอ่าทีนี้อาจารย์มีความผิดไหมครับเขากิน็กินเหล้าก็หนึ่งเสียทรัพย์สองพึ่งเขิมัก่อการทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ปัญญาอ่อนก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ะก็ทําไปก็อยากปัญญาอ่อนก็กินไป ตก็มันก็เกิดโรคใช่ไหมทะเลวิวาดใช่ไหมเสียทรัพย์ครับสุดท้ายกับปัญญาอ่อนก็บอกไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะอยากปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มจํานวนคนยาอ่อนอีกคนนึงก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็บอกมันอย่างนั้นเชิญกินไปไม่เป็นไรแต่สมาทานปัญญาอ่อนปัญญามันเกิดยากอยู่แล้วอย่าเอาของมันเมาไปทําลายมันอีกก็ก็มีแต่คนโง่เท่านั้นจะทาแบบนี้คนฉลาดเขาไม่ทำหรอกบอกงั้น ก็บอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครโง่เท่าเองอีกแล้วเองสุดยอดกว่าโง่ฉะนั้นทำไรเข้าไปปัญญาอ่อนเนี่ยพวกเกิดมาปัญญาอ่อนทั้งหลายอะพวกปัญญาซับซ้อนเนี่ปัญญาอ่อนทั้งหลายเนี่ยพวกพิการซับซ้อนทั้งหลายก็มาจากสุราทั้งนั้นใช่มจริงจริงเสียทรัพย์ก็มาจากสุราทั้งนั้นโรคไปกระเจิดก็มายจากสุราทั้งนั้นก็พูดไปว่าก็ไม่เป็นไรถ้าจะเพิ่มประชากรจํานวนประชากรปัญญาอ่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเช่นนี้นะก็บอกเขาไปก็ไม่เป็นไร แต่ถามเพราะว่าเวลาคุณเด็กเกิดมาปัญญาอ่อนไงมันเบียดเบียนพ่อแม่ไหมร้อยทั้งร้อยเลยครับก็นั่นไง่าเห็นเหมือนก็คิดเองไงว่าไม่เบียดเบียนใครอ่ะเพางั้นแต่แต่พอเกิดเป็นคนปัญญาอ่อนขึ้นมาเดือดร้อนในครอบครัวเลยญาติพี่น้องก็เดือดร้อนด้วยไปเดือดร้อนคนอื่นอีกครัไปฝากคนอื่นเลี้ยงอีกโอ้โหคนเลี้ยงก็ลําบากเช็ดที่เช็ดเยี่ยวด้วยเองก็ไม่ได้นุ่งผ้าก็ยังไม่ได้เลยเอออีกช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้อยู่แล้วเป็นพัน ผากเขาไปเป็นพันสวิตเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดก็เห็นไหมล่ะนั่นแหละกลุ่มดาวจะหน้าตาเหมือนเด็กหมดดาวสินโดรมนั่นแหละในพันนี้แหละยนหน้าเศร้ตลอดเวลาอาจารย์เคยไปแสดงธรรให้กับพวกคนที่พิการตาบอดอะไรมัไม่เอาแล้วขนาดคนดีอย่างพวกเองยังพูดยากเลยโอ้ตเป็นงั้นหมด ดโดนยิมยองยิมยมย้มนีมย่ยอง ม, มันขนาดยังให้เป็นแสดงคนเป็นยาอ่อนนี้คนเป็ญยาระดับนี้มันพูดมันรู้ <คน S 2> เรื่องยาโอ้โหไม่เอาเลยแค่เห็นก็แค่เห็นก็สะเทือนสะทานแล้วก<อ>่เห็นเจ้าวันคนเดียวยังทุกข์ขนาดนี้แล<ต>้ว <laughs> จะให้เป็นแสดงทำให้คนเป็ญาอ่อนนเครียดยังไงได้เ้จะยิ้มนี่ไม่แบบแบบหมายถึงว่าเป็นคนตาบอดเนี้ยอาจารย์ทํหมายถึงว่าเออหูเขายังสามารถ บ่อยก็ไปบ่อยๆที่ผมถึมองมองกลับไปรูถึงรู้เลยพราะพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าคนมีปัญหาพวกเนี้ยมันก็ยากจริงๆนะอาจารย์เพราะฉะนั้นถึงบัญญัติไว้ไม่ให้บวชบางทุกคนจะยุ่งยากจริงๆยากแค่คนดีๆยังเอายากแล้วยังจะไปเที่ยวโหกรุณนาเพิ่มเพลย์ก็ไม่ต้องช่วยใครแล้วที่งานเนี้ยไปเสียเวลาคนนี้แล้วก็ตายไปจริงไอ้คนดีๆก็เลยหมดโอกาสดีใช่ไหม ถ้ามัวไปช่วยคนปัญญาอ่อนแล้วยังเจ้าวันจะอยู่ยังไงก็ออกจะทุกไม่ได้อีกยังมืดบอดอยู่มืดบอดอีกอ้โหเนี่ยและเสียโอกาสเลยตวเนี้คึงพรับกลับไปดูถึงพระคเจ้าไงบอกว่าอ๋อเวลาไปโปรดใครแต่ละคนนี่ก็ต้องให้เตรียมพร้อมก่อนมีไม่มีต้นทุนมาเลยเงี้ยโอ้โหอยากจะเป็นมหาเศรษฐีบอกไม่มีต้นทุนเลยไม่ทาไง อยากจะเรียนหมอวางั้นไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาเลยพี่ลองดูด้วยกันนะครับยังเ็นไดจัหรือหรือดูไม่เป็นครับดูดูเป็นเนี่ยร่งเป็นอ๋อไไหนผมไม่เคยยุ่ี่อกายเนี้ยมันจะพาไปเส้นน้นเด็สิมันมันจะรัดไปเรื่อยครับใช่ใช่ถ้าพี่มั่นใจโดนเส้นพี่ก็จับเส้นได้ับเดี๋ยวผมไปนะครับมามาก็มาเส้นนียนเลยอ๋อไงโอเคครับแต่บางทีสับสนเอ๊ ที่เลี้ยวขวาใป่ไหมเลี้ยวไหนวะจำจำแยกไม่ได้ทำให้เลี้ยวเข้าจังหวัดก็ตีเลยประมาณกลาวจะเข้าจังหวัดไม่ใช่ชั่วโมงก็ถึงทันนะทันทันชั่วโมงกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่รีบเยอะอาจารย์ลงใบกระเทือยู่งตรงนี้กระเนเลยระเกือนไปแล้วเสือผมไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์ต่อที่ครับอาจารย์กำลังฝังเพลินเลยครับจะพี่ข้ามลงนะเดี๋ยวยินเล นั่นผมผมถามอาจารย์ อ, อย่างอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเออก็จะมีมีพระรหัสสาวกเนี่ยเออหลายรูปผู้เจ้าก็เออบอกมั่ววิธีที่หลากหลายนะอาจารย์แต่ละเอออุปนิสัยของแต่แต่ละรูปเอออย่างอย่างสมัยนี้อาจารย์ก็จะมีพระอาจารย์หลายรูปก็จะบอกมั่ววิธีต่างกันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดว่าเขาบอกมั่ววิธีถูกหรือผิดนะอาจารย์แต่หมายถึงว่าเป้าหมายอาจจะไปถึงเหมือนกันแต่ช้าเร็วอาจจะต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ กรณีของเวลาประเด็นมันอยู่ว่าไอ้คนบอกเนี่ยเป็นคนที่รู้เส้นทางหรือไม่รู้มันกรณีคนบอกทางเนี่ยใช่ไหมก<ม>รณีที่บอกเส้นทางเนี่ยคนคนนั้นต้องชํานาญทางแล้วก็ชํานาญในการบอกด้วยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อบอกแล้วไอ้คนเดิเด น, เ ด, นเดินทางไปผิดเนี่ยมันไม่มันไมไ่คนบอกผิดแต่คนเดินมันผิด แต่คนที่ไม่รู้ทางแล้วอยากสเสออยากจะเนี่ยไหมอยากจะไปบอกคนอื่นครับไม่ได้ฉลาดในเส้นทางเลย<ม>แต่โอ้โหมันอยากจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้บอกแล้วบอกเป็นครูน <ะ S 2> <ช>ี่อยากจะเป็นครูอยากเป็นผู้บอกเส้นทางกันแล้วก็เนี่ยคืออันตรายตรงนี้ไงใช่ตรงนี้แหะถ้าถึงบอกว่าพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นบุคคลที่ชํานาญเส้นทางเจ็บไหมแล้วในการที่จะบอกว่าทางเส้นเนี้ยไปเกิดเป็นสัตว์นรก ทางเส้นนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทางเส้นนี้ไปเกิดเป็นเปรตทางเส้นนี้ไปสุรกายทางนี้เป็นมนุษย์ที่เป็นเทวดานี่เป็นพรหม<ะ>ดําเนินไปทางนี้ไปสู่มระโพธิสัตวนิพพาน<ะ>เออเนี่ยเราชัดเรื่องนี้ไหม<อ>ถ้ามันชัดแบบนี้มันก็สมควรเป็นผู้บอกเจ้าแ<ะ>มล่ละแต่ถ้ามไม่ชัดและเสอะไปบอกไอ้นี่ปัญหาเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยที่บอกก็สอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันต้องดูว่าคําสอนนั้นคุณคิดขึ้นมาเอง หรือคุณเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาบอกเขารรหรือคุณไปเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าผิดสําคัญนะพุทธเจ้าบอกแบบนี้เราไปบอกเขาอันนี้คือปัญหานะบิดเบือนนี้แหละมันไม่ได้มีเจตน า, าบิดเบือนเราบางทีมันเข้าใจผิดไงก็เหมือนคนบอกว่าเนี่ยจะบอกให้ไปใช้บูชารรเนี่ยมันชี้ลงไปใต้นูน่นน่ะมันชี้ไปใต้นะทำไงหรือจะไปใช้บูชารรรมันวิ่งอีกสายหนึ่งนู่นไปเชียงใหม่เชียงรายนี่น่ะมันก็เฉียดเฉียดไปนี่แหละแต่ไม่ถึงแล้วแต่นี่ไปทั่วมั่ว หรือชี้ลงไปอีสานทําไงไเรื่นครับครับนี่ประเด็นไม่ตรงนี้อาจารย์แล้มันจะมีหลักการยังไงครับที่เราเราเร า, เราจะเลือกได้ว่าเราควรจะฟังคนนี้จะดูคนนี้แล้วปฏิบัติตามคนนี้เนี่ยหลักการของเราถ้าเกิดคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราจะเริ่มตน้นทียังไงครับอโ้โหถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องไปเรียนให้มันรู้นี่แหละประเด็นคืออย่างเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงใช่ไหมล่ะครับแต่ถามว่าจะไปเรียนกับใครที่ไหนเป็นเรื่องอยากยากอีกเลยเนี่ยนี่แหละประเด็นปล่อยผมว่าไป สตโลกเป็นไปตามกรรมนี่อาจารย์แล้วอย่างผมเนี่ยจะทำอย่างไรต่อีย่างั้นผมก็เลยประเด็นด้วยก็ขับรถให้ถึงชัยบาดาลอย่าหลงทางอีกอย่าพลาดจะอดเพลงแล้วผมก็คือจะดูจิตไปอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมค้ัดูดูกีฬดูรถก่อน ประเด็นสำคัญที่ผมบอกเลยคืออันดับที่หนึ่งเรายังไม่รู้ว่าไหนถูกก็นี่ไงประเด็นก็ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละที่รับมันถึงบอกว่าหนึ่งหลักการบรรลุธรรมเลยนะหนึ่งก็คือว่าปุเพกตปุญตาสร้างสมกุศลมาดีสองอยู่ในถิ่นสถานที่ที่เหมาะสมสามได้พบกัลยาณมิตรสี่ได้ฟังประสาทธรรมห้า ก็คือได้ประพฤติทำตามสมควรแก่โลกุตละธรรมจบเลยเงี้ยอั น, นี้บางคนนี่ที่เสือ่อมทำบุญมาไม่ดีนั่นไปอยู่ในถิ่นที่มีแต่พวกปาประมิตรครับพอไปคบปาประมิตรมันก็ให้ข้อมูลผิดพอได้ข้อมูลผิดมันก็เกิดปฏิบัติผิดก็ได้ข้อมูลที่ผิดก็ปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดมันก็ออกเกียทุกไม่ได้แค่นี้ยฉันต้องพูดว่าไงมันจะไปช่วยมันยังไง<ม>ก็เสืกทํ่อนมะก็เสื่อมเป็น สร้างบุญเก่าก็ไม่ดีไปอยู่ถิ่นก็ไม่เหมาะสมไปคบคนก็ไม่ควครคบไปฟังธรรมมากก็ไปนั้นไม่ฟังรรสัตยธรรมมากก็ไม่ฟังรรไปฟันอสัตยธรรมมากไปเสพคุณอย่างนั้นไปเสจคุณก็ปฏิบัติผิดมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละคุณจะไปช่วยอะไรใครได้สิ่งแวดล้อมก็มีสว่วนะ <S 2> <S 2> นั่นนะมีสิ่งดังนั้นเองจะพลาดมากขนะดนีเลยพัทยาไงนะยมพัทยานี่แหล่งเลยอาจารย์พัทยานี่แหล่งเลยผมบอกให้เลยนะ ก็เหมือนบอกว่ามันยอมพูดเมื่อกี้งั้นก็ดูจิตไปเรื่อยๆงั้นก็ปัญหาอีกใช่ใช่จะไปดูยังไงเอาอะไรไปดูจะไหเล่ะใช่ใช่เอาโลภะดูโลภะก็ได้โทสะดูโทสะก็ได้จะไหมทําให้มันโลภเพิ่มขึ้นก็ได้ทามันโกรธเพิ่มขึ้นก็ได้ดูก็ไม่รู้เรื่องอีกเขาใช้ปัญญาไปดูปัญญาเป็นยังไงไม่รู้อีกโอ้ยุ่งอีกเดี๋ยงงั้นผมนิมนต์เลยอจันนิมนต์อาจารย์อยู่อีกสิบปีครับจะไปไหนไม่ไหวแล้วนิมนต์ไปแล้วนะจ๊ะ ผมไม่มีอย่งางพระอาจารย์บางเลยอะไร ข, ขออีกสิบปีนะครับก็จับเาวันโกนหัวบวชนก็มีแล้วนี่เป็นพร <c oughs> ะพรอยูอย่แค่เครื่องไงแค่เครื่องข้างนอกเลอาจารย์ <c oughs> พอจะรู้รู้จักใครที่ลบลีมมากไหมครับ <c oughs> ผมจะได้ไปศึกษากับท่านคุณอาจารย์ต่อครับถ้าอาจารย์กไกลถ้าเหลือก <c> ็ <oughs> <c oughs> จะมาหาครับ <c oughs> <c oughs> แล้ท่านนายไงท่านนายก็เป็นคนลบลืม อยู่วัดไหนครับเนี่ยนนายจนนอยู่วัดวัดกลางอยู่วัดกลางอยู่วัดอาจารย์สมนเลยเดี๋ยวถ้าครอบูลัวยังแค่นี้อยู่เดียวช่วยใครไดจริงช่วยตเองไม่รอนเลยไม่รู้ลผมนิมนต์อาจารย์ไปสิปีกวว่ดว่าขึ้นมาแเลี้ยวมาขวามือเลย แยารับสิบกว่าคันขนาดนี้ต้อตามเขาไปเลยไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่รียาย่งยาประเทศไม่ได้ใ้ใช่ๆชอกให้ไปตรงนี้อาจารย์คือเรืองปาเสร็จหรยหมดอายุไปเลยวครับพี่ยิมก็ถ้าเกิดว่าอยู่ก็ใกล้อาจารย์รีดๆถ้าอยประโยชน์ประโยชน์เียว่ะูเลยไปยวขบวนอเที่ย เองไม่เป็นก็ต้อี้มนเวราตามใช้ใช้ในงานราชการผิดที่นะต้องเที่ยวเองก็ต้องมีน้ำน้ำกบวนด้วยขเขาเรียกไปดูงานไปดูงานศึกษางานเขาเรียกอะไรนั้นละลายละายงบก็ก็มนสิ้นปีแล้วนี่ยิ่งยิ่งใกล้ๆเดือนกันยานี่โอ้โหละลายงบคนับนะช่วงตุลามันตัดบิ๊กครับใช่ใช่ทให้หมดเลยกันยาน้องหมดอ่ะใเด้องหมดได้ถ้าถ้าไม่หมดเดี๋ยวก็เอาคืนเขาหมเรยให้น้อยอีกใช่ มีหน้าขอไม่ได้รถเดิมแล้ครับถูกต้องเป็นแล้วถ้าจริงก็ขอรถดีเฟอร์มาครับแล้วติดลอยาวเปิดบอเลยครับเปิดไซเรนวิ่งเลยไซเลนเดียวเลยอาจารย์ขอโอกาสถามต่ออาจารย์อย่างที่เมื่อวานผมถามเรื่องเรื่องป่าบุญว่าคนที่ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าสูตรเออมันมีพระสูตรหนึ่งเออ ปายาสีราชยาสูตรอาจารย์ที่พระเจ้าปายาสิีนี่ไหมอาจารย์อ่าถ้าสมมติว่า เ, เราปาราซาลายาสูตรอ ห, หรือว่าปายาสีสูตรอ๋อพระยาปายาสีสูตรัออราาบอันนั้นอันนั้นสูตรนั้นถือว่าตอบตอบได้เคลียร์ไหมอาจารย์เรื่องเรื่องชั้นนี้ชั้นหน้าก็เคลียร์ก็เคลียร์พรสมควรไปเด็ประเดมันอยู่ว่าเออที่บอกว่า คนบางคนเนี่ยถึงแม้วเราจะไปสูตรสูตรนี่ยไปตอบกับมันอไม่ได้มันก็มันก็แก้ไม่ได้ครับลองคิดดูพญาปายาสีเนี่ยพระกุมารกสัปปะเนี่ยครับท่านเคลียร์ตอบขนาดไหนอืโอ้โหใช้พลังตอบเต็มที่เลยนะที่สุดจริงๆเนี่ยมันแก้ได้แค่ไหนพยาปายาสีตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นตาจาตุมเล็กๆมีวิมานล้าครับ ใช่ไหมแล้วอยู่คนเดียวส่วนอุตรมานพซึ่งเป็นลูกศิษย์ไปเกิดอยู่เดาดึงพุตอนนั้นเนี่ยมีพระเถระเนี่ยก็ขึ้นไปก็ไปเห็นวิมารล้างๆแล้วมีเทวดาอยู่คนเดียวถามที่ใครเนี่ยเอาจ้ำผมไม่ได้หรือผมปยาปายาสีไงเอาไม่ตกนรกหรือบอกอุ้ยเป็นสัมมาทิฏี่แล้วทำไมม่อยู่กระจอกๆระจองนี่เนาะ ให้ทานผมอกับผมเป็นคนตนีให้ทานไม่ได้ให้ด้วยมือตัวเองให้โดยไม่ศัธาให้โดยไม่นอบน้อมให้แต่สักว่าให้เางั้นจะให้แบบไม่่อยรู้เรื่องรู้ราวอย่างนี้มันถึงมาได้แบบนี้อกว่าโชดีไม่ตบกโลกก็วโชคดีโอสวยแท้อยู่คนเดียวหงอยอยู่งั้นนะเป็นขนะเป็นปยาเป็นเจ้าเมืองเนะใช่ใ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน เกือบซวยไปเห็นไหมเนี่ยนั่พยายามเต็มที่ได้แค่นั้นนะแต่ออกคนอื่นที่เขายังต้องการอีกเยอะแยะท่านจะช่วยใครสิละภาพท่านตำตำกันอัเนี้ยอาจารย์รู้รู้ตลอดสายเลยครับรู้ไปคนถามไปยันยันยันพบต่อไปก็คือมันช่วยได้ก็มันช่วยอย่างนั้นเน่ยอย่างนั้นก็ผมบอกว่าล่อยมันตายตายไปเยอะแต่มันกรสับแต่ว่าจะทำจริงงเนี่ย มันเหนื่อยไงถ้าท่านอยากจะบาเพ็ญบารมีก็เอาวันนั้นเดีโอ้คนตาบอดคนหูหนวกคนพิการอีกเยอะในคุกไงท่านไปทุกเดือนเลยสิไปเลยไปช่วยมันไอพวกนักเลงอะไรเยอะแยะหมดให้ช่วยไปเกื้อเกี้ยกร้อนหน่อยเวลาไปเทศแต่ละทีมันก็ถ้าอยากจะกระทืบท่านเลยนะั่นบางทีมันประโยชน์น้อยจริงนะจ๊ะน้อย ทำยังไงคนที่มันดีอยู่แล้วมันจะไม่ชั่วอย่งี้ก็ยากแล้วครัใช่ไหมแล้วทําอคนที่ดีๆธรรมดาให้เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็ยากแล้วโอ้โหคนยากเลยไอ้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วนี่งๆโอ้โหอยากให้มันกลับเป็นคนดีเนี่ยโอ้โหยากเดืดมันมันเดิมๆไงอาจารย์แค่จะทําว่า <c oughs> ทําไงให้เยาวั์มันไม่เจ้าชูเ่เนี่ยแค่นี้มันโคตรยากเลย <c oughs> อาจารย์ผมก็ไม่ได้เจ้าชู่นะอาจารย์ เขาพูดกับผมดีผมก็พูดกับเขาดีแค่นั้นเองนะจ๊ะคนเจ้าชู้มันจะพูดคํานี้กับทุกคนไม่จะพูดแบบนี้ไม่จะพูดแบบนี้แล้วว่าไม่ทําอะไรใครเลยมันแค่พูดไปเรื่อยๆแค่นี้แหละไม่ค้าข้อเถีให้ผมก็ผิดจริงไหมผมพูดดีกับเขาแต่ก็เชื่อเชื่ออาจารย์เออก็จริงๆนะเออจริงพูดจริงพูดจริงไนะพูดจริงพูดดีๆมันก็เออมันจะใช่ที่อาจารย์พูดล้